อันเราได้จัดระเบียบอะไรต่างๆเพื่อความ <c oughs> สงบความเรียบร้อยในการปฏิบัติที่เรี ว, ว่าศีล น, นะเพราะศีลภายนอกจะมีได้ด้วยความกลมกลืนก็ต้องมีศีลภายในศีลภายในหมายถึงความปกติเรียบร้อยของความรู้สึก หากเรามีความรู้สึกปกติเรียบร้อยภายในภายนอกก็จะเรียบร้อยด้วยดนะังนั้นเองในชีวิตของผู้ศึกษาภาวนาหรือปฏิบัติก็จะต้องมีการสร้างสติสัมยาให้ให้เข้มแข็งขึ้นมาที่ตัวรู้สึกตัวเนี่ยเหมือนเรามีไฟสว่างอยู่รอบๆตัวย่อมจะมองเห็นอะไรได้ชัด กัคนที่ไม่มนะีเพราะว่าตัวสติสัมยะนี่เป็นเป็นตัวแสงสว่างประจํากายประจําใจของอมนุษย์ทุกคนแต่ถ้าหากว่าสติสัมยานั้นต่ําก็เป็นสติสัมยาแบบสันชาัิยานก็มองเห็นอะไรไม่ชัดและไม่ไกลนะแต่ถ้าหากว่าเราได้ศึกษาเรียนรู้คําสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องของความ รู้สึกตัวทั่วพร้อมเรียว่าสติสมั ย, ยะที่รวมคำว่าโพธิปัญญาก็เรียกเรียกว่าพุทธะก็เรียกนะมาจากคาว่ากำลังของสติสมั ย, ยะความรู้ตัวทั่วพร้อมซึ่งเป็นสมบัติดั้งเดิมของมนุษย์ <c oughs> ซึ่งมันมีกำลังอยู่ระดับหนึ่งพอที่จะดูแลความปลอดภัยของร่างกายนี้ให้อยู่รอดได้ แต่ไม่สามารถจะดูแลทางด้านจิตใจให้ปลอดภัยจากภัยภายในได้ดังนั้น ก, ก็มีผู้รู้เกิดขึ้นเพื่อแสวงหาความสมบูรณ์เรื่องนี้ว่าถือเป็นมนุษย์เป็นเพศที่สูงสุดที่เกิดได้ยากแล้วน่าจะมีความสมบูรณ์พร้อมทั้งความปลอดภัยทั้งร่างกายและจิตใจตท่านนี้มุ่งพัฒนาสติสัมยาอีกระดับหนึ่งเมื่อคืนยมนอนหลับดีไหมไม่ง่วงนะอืม เาะนั้นเวลาคนนั่งฟั ง, งพ่อขอพ่อจะดูตาด้วยตาใครที่ปืป๊ดๆหลพ่อจะปลุกให้ตื่นก่อนหลวงพ่ถือว่าไม่สื่อความหมายกค่เสียเวลาในการฟัง น, <c oughs> นั้นเองในการสร้างระบบของความตื่นตัวเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของผู้รู้อย่างพระพุทธเจ้าพระปเจของพุทธเจ้าพระอาจารยสมาสัมพุทธเจ้าและพระอาจารยสาวก พระอริยบุคคลทั้งหลายก็ล้วนแต่มุ่งสร้างแสงสว่างคือตาในนะตานอกเพื่อความปลอดภัยของร่างกายตาในเพื่อความปลอดข อ, ข, อของจิตเราก็ต้องสร้างทั้งตานอกตาในถ้าเราต้องการเป็นมนุษย์ที่ปลอดภัยทั้งร่างกายและจิตใจนะความปลอดภัยทางด้านร่างกายก็มาจากความปลอดภัยของจิตใจถ้าหางจิตใจเราปลอดภัยระดับหนึ่งเราก็มีความนาม้อมน้อมละวัง ความปลอดภัยภายนอกก็เกิดขึ้นเองแต่ถ้าหากาจิตใจของเราไม่มีความสว่างเท่าที่ควรแล้วก็ไปสึกกับอันตรายภายนอกบ่อยครั้งนะทำให้ความเป็นมนุษย์ของเราก็ตกต่ําไรค่าลงไป<ม>เป็นมนุษย์นะิรโยมนุษย์สเปโตมนุษย์สุลกายโยมนุษสติแลชาโนนะก็เป็นมนุษย์ชั้นต่ำ พอเป็นมนุษย์สปูโตมนุษยชั้นกลางมนุษย์ชั้นสูงก็เป็นมนุษยเทโวมนุษย์ปรุมาโนโอมนุษยอาริโอขึ้นไปชั้นสูงดังนั้นเองตัวชี้วัดความชั้นจําชั้นสูงของมนุษย์เป็นคุณค่าแท้ก็คือตัวสติสัมยะและตัวปัญญาแต่ตัวที่เป็นคุณค่าเทียมอยู่ก็คือตัวสติสัมยะที่เป็นฉัญชาติยาน เพราะฉะนั้นในสังคมใดประเทศใดที่เรามีคุณค่าแท้ของชีวิตจิตใจก็จะมีความสงบมีความสุขแต่ปัจจุบันเป็นลักษณะว่าคุณค่าเทียมเยอะกว่าคุณค่าแท้แต่เราโฆษณาคุณค่าเทียมว่าเป็นคุณค่าแท้ลักษณะหลอกตนเองล้วก็มีความทุกข์ที่ซับซ้อนความทุกข์ที่ยากแก่การแก้ไขเพราะเราสร้างคุณค่าเทียม สร้างคุณค่าแท้ให้แก่ชีวิตไม่สําเร็จแต่มาโฆษณาเกินจริงเช่นเราปฏิบัติได้สักนิดหน่อยเนื้อทวีตสงบเราก็บอกว่าเป็นฤทธิ์เป็นเดนเป็นฌานเป็นปฏิหารซึ่งความจริงมันไม่ใช่แต่ด้วยการโฆษณาเหมือนจริงมันก็เอาคุณค่าเทียมาโฆษณาเป็นคุณค่าแท้ในด้านเศรษฐกิจการเมืองสังคมก็ในรูปแบบเดียวกันจะทําให้ประเทศชาติก้าวหน้าหรือตกต่าก็อยู่ที่การ สร้างคุณค่าแท้ด้า น, นจิตใจก็เหมือนกันคุณค่าแท้ของชีวิตจิตใจก็คือสติสัมยะที่เป็นตัวปัญญาญาณคุณค่าเทียมที่ทุกคนต้องมีมาก่อนก็คือสติสัมยะที่เป็นสัญชตาตญาณสติสัพยัญในระดับของเวทนานะที่เราพูดมาถึงเมื่อวานเราต้องการพัฒนาตัวรู้สึกที่เป็นระดับ ไตรลักษณ์หรือสัญชาติญาณให้เป็นระดับตัวสติปัญญาสติสัมยาที่เป็นปัญญายาณเราก็ดึงมาฝึกปฏิบัติแบบนี้ดังนั้นเองเมื่อเราเข้าใจความหมายอย่างนี้เราก็มีการจัดระเบียบในการศึกษาและปฏิบัติให้ชัดเจนนะเช่นการยืนเดินนั่งนอนจัดระเบียบอย่างไรการยืนนั่งนอนถึงจะมีระเบียบและมีความรู้ตัวทั่วพร้อม แม้แต่ลมหายใจเราจัดระเบียบอย่างไรให้ลมหายใจให้ได้ประโยชน์ทั้งร่างกายและชีิตใจเช่นมาศึกษาเรื่องอาการออกกำลังกายเรื่องลมปราณนะเพื่อที่จะจัดระเบียบลมหายใจเข้าเท่าไรออกเท่าไรลึกเท่าไหร่ตื้นเท่าไหร่ให้เป็นระบบไม่ใช่หายใจตามฉันชัตตยานหายใจตามฉันชัตติยานก็ลึกบ้างตื้นบ้างลึกก็แค่หน้าอกอตื้นก็แค่คอแต่พอมาจัดระเบียบใหม่ลึกต้องไปถึง สะดือตือ่นมาหน่อยก็ถึงท้องอย่างนี้มันก็สามารถที่จ ะ, ะได้จัดระเบียบซึ่งนั่นถ้าว่าเรามีการฝึกฝนมันเป็นอย่างนั้นไม่ได้พ อ, ะอะจะระเบียบตรงนี้ปับ๊บเซลล์ CEO, และระบบต่างๆก็จะยั่งยืนได้รับ อ, อากาศได้รับธาตุอย่างเต็มความสามารถของมันสติ ส, ส ม, มิญญาเหมือนกัน <c oughs> ถ้าเราปฏิบัติแบบไม่มีระเบียบจากสัญชาติยาน คือแบบทั่วไปแต่เมื่อพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้เรื่องนี้ขึ้นมาพระท่านก็มาจัดระเบียบเป็นลักษณะสติปัฏฐานสแลจะจัดระเบียบกายเป็น6ระบบระบบลมหายใจยาวถึง16แบบระบบของการยืนเดินนั่งนอนอามาเป็นบกอี่ีบทย่อยมีถึง7แบบแล้วก็ระบบธาตุสดินน้ำลมไฟามาบวกกับอาการสติสองมีถึงแบบ แลระบบกําจัดของเสียมีถึง9แบบนะ <c oughs> ซึ่งรายละเอียดไปหาดูเอาเองนะฮะเพราะว่ามันมีในหลักปริญญาเป็นคําสอนที่ท่านได้ใช้มาเพะนั้นเองเราใช้ปัจจุบันนั่คือจัดระบบแบบเรียบบท4กับอีย บ, บอย์เรีบทย่อยเข้าด้วยกันด้วยการจัดระเบียบการลุกการนั่งกัอนเปลี่ยนเรยบบทต่างๆจัดระเบียบไปตามลําดับเราไม่พยายามลุก ยืนเดินนั่งนอนโดยที่ไม่มีการจัดระเบียบของสติสมัมปชัญญะเช่นการยืนแต่รายละเอียดของลมหายใจเราจะไม่ลงตรงนั้นเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ระบบลมหายใจเราใช้ระบบการเคลื่อนไหวของอิบทดสี่และอิบ ท, บท ย, ย่อยเช่นชุดแรกท่านบอกข้าชั้นตัววาข้าชามีติปชาณติเมื่อเดินก็ให้รู้ชัดว่าเดินอยู่เช่นเราเดินจงกลมรู้ชัดว่าเรายกอย่างไรเหยียบอย่างไรแยกอย่างไรหนักอย่างไรเบ า, อ ย, า, เบาอย่างไรจัดระเบียบตรงนั้น นะทีโตวาที่โตมหฮิติปัจฉานติเมื่อยือนก็ให้รู้ชัดๆว่าเรากําลังตั้งแต่เริ่มที่จะลุกขึ้นยืนก็เริ่มตามรู้ละนิสินโนวานิสินโอมหฮติประชานติเมื่อนั่งให้รู้ชัดๆว่ากําลังนั่งนั่งแล้วเกิดอะไรขึ้นแล้วเมื่อเกิดแล้วเราทนได้หรือไม่ได้ไม่ได้ควรจะทำอย่างไรนี่ค่อยลําดับรู้ไปเรื่อยๆ ลักษณะอย่างนี้ก็จะทําให้เราเห็นขบวนการการเติบโตของความรู้สึกตัวที่มั่นคงเป็นระเบียบไม่ใช่มั่วมั่วคือสัญชาตญาณอยากลุกตรงไหนอยากจะนั่งตอนไหนอยากจะเดินตอนไหนก็ทําอันนี้เราไม่มีไม่มีการจัดระเบียบตรงนี้เราก็ไม่สามารถจะแปลงอนิจจังให้เป็นศีลได้พอจัดระเบียบอย่างนี้ให้ถูกต้องอนิจจังก็กลายเป็นศีลศีลหมายถึงความมีระบบระเบียบความมีปกติ สงบและผ่อนคลายที่ต่อมาเราก็ามาจัดระเบียบในไม่กระทั่งนอนสยา น, นวาสยา น, นมหิติปัชเชเดเมื่อนอนก็ให้รู้ ช, ชัดว่าเรานอนอยู่เริ่มนอนเวลาเท่าไหร่นอนแล้วหลับอย่างไรหลับลึกหรือหลับตื้นตื่นเวลาเท่าไหร่ขณะหลับฝันหรือไม่ฝันขณะหลับมีเวทนาอะไรรบกวนก็ตามรู้ไปเรื่อยๆก็เรียกว่ารู้ชัดในการนอน มีสติในการนอนอันนี้ในส่วนที่ระบบแค่ยืนเดินนั่งนอนแต่ในการยืนเดิน น, นั่งมันมีอริบทย่อยซ้อนๆ อ, อ, อ, อยู่ท่านก็ให้ตามรู้เข้าไปอีกว่าในระบทยืนมีตัวร่วมกรีบทเดินเป็นตัวร่วมซึ่งกันและกันคุณจะเดินโดยไม่ต้องยืนไม่ไดนะ้แล้วริบทนั่งมีตัวร่วมคืออาการนอน คุณจะนอนโดย ไ, ไม่ต้องนั่งก็ไม่ได้ยืยอ่ๆคุณจะนอนเลยเป็นไงล้มตึงหนึ่งไปก็ถือว่าเป็นอ c ซิเหตุใช่ไหมเพราะนั้นเองการจัดระเบียบแบบนี้มันหมายถึงการพอพกูลความรู้สึกตัวที่มีความมั่นคงด้วยสมาธิคือจัดไปเห็นไปตามลำดับตามลำดับสมาธิก็เกิดในขณะที่เราจัดระเบียบทางกายทางใจเข้าด้วยกันก็แปลง ทุกเวทนาให้เป็นสมาธิไดใ้ในช่วงที่เราจะเปลี่ยนเนี่ยหมายถึงว่ามันทนไม่ได้ล้วเป็นทุกเวทนาจัดละพอไปจาดระเบียบให้เห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของเวทนาโดยความตั้งใจและเอาใจใส่ความตั้งใจโดยนจะใส่อดทนเฝ้าดูรอดูว่าเวทนาความรู้สึกสบายๆเนี่ยมันไต่ลําดับขึ้นไปสู่เวทนาชั้นกลางอย่างไร และเวทนาชั้นกลางนั่งเวทนามันไต่ระเบียบไปสู่เวทนาชั้นหยาบอย่างไรเมื่อไปถึงเวทนาชั้นหยาบเราทนไม่ได้จะปรับมากลับมาสู่เวทนาชั้นละเอีย ด, ดใหญ่ในการตามรู้อย่างหยาบกลางละเอียดอย่างตั้งสติอย่างอดทนนี่เองเรื่องก็เป็นสมาธิจะแปลงทุกขเวทนาให้เป็นสมาธิเมื่อคืนคุณนอนหลับดีไหมไม่เคยนอนเมื่เคยหลับเลยใช่ไหม นัดฝื้นหลายรอบนะหนงพอสังเกตเนี่ยตาขยับแล้วขยับอีกเมื่อคืนนอนไม่หลับใช่ไหมเราหลับตื่นเพราะอะไรร้อนปวดเมื่อยหรือเพื่อนรบกวนทำไมต้องต้องศึกษาวิธีการนอนด้วยนะวิธีการนอนอพ่อจะใช้ขอออกนอกเลือดนะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกลึกย า, ยาวไปเรื่อยๆบางครั้งอากาศร้อนเกินไปก็ปรับได้รับ ถ้าปรับได้ก็ปรับถ้าเย็นเกินไปก็ปรับได้ก็ปรับแต่มันอยู่ในเงื่อนไขที่ปรับไม่ได้ทําไงก็ยอมรับต่างลมหายใจเล่นไปเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายมันจะหลับไม่หลับเป็นเรื่องของมันเพราะการหลับไม่หลับเป็นเรื่องอนัตตาบอคาบัญชาไม่ได้แต่การเตรียมตัวเพื่อจะหลับการทำกายให้สงบทําจิตให้สงบแล้วก็ทําลมหายใจให้ลึกให้ยาวเป็นสิ่งที่เรา คอนโทรลได้เป็นสติปัญญาเปลี่ยนอนัตตาเป็นปัญญาได้เราจัดการอนัตตาได้ทัมดจัดการที่ปัญญาใช่ไหมก็คือลำดับมันก็แก้ไขได้แต่ถ้าคุณนอนๆมั่วๆไปมันไม่ได้หรอกมันมันไม่มีการจัดการนอนแบบสัญชตาตญาณอยากจะตื่นก็เป็นหลับอยากจะหลับก็เป็นตื่นอยากจะง่วงก็เป็นไม่ง่วงอะไรตองนี้มันก็สับสนอันะนั้นเองพอเราลำดับมาถึงที่ว่าอีบุตร ใหญ่ยืนเดินนั่งนอนก็จะมีความรู้สึกเกิดขึ้นแค่3มความรู้สึกคือไม่สบายจนทนไม่ได้สบายพอทนได้แล้วก็สบายผ่อนคลายมันก็จะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป3ระดับนเองแล้วก็ค่อยสังเกตสังเกตการสังเกตทั้ง3าระดับต่อเนื่องกันอย่างนี้มันก็ปรับให้เป็นจากสุขเวทนาทุกเวทนาแล้วก็อทุกขมกุฏนาเป็นศีลเป็นสมาธิปัญญาตามลาดับ อันที่ที่ต้องทบทวนเรื่องนี้บ่อยๆเพราะอะไรเพราะมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องแปลงค่าของตจรักษณให้เป็นใจสิขาแปลงค่าของสันชัดญาณให้เป็นปัญญาญาณแปลงค่าของอวิชชาให้เป็นวิชาถ้าไม่ทํำขบวนการนี้มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ถึงเราจะรู้ไปอย่างดีนะอวิชชาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อวิชชาเป็นเหตุให้เกิดการเวียนว่ายใจเกิดอวิชชาเป็นเหตุให้เกิดความตกต่าและ ความไม่มีคุณค่าของชีวิตเรารู้ทั้งรู้แต่จัดการอะไรมันไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราไม่มีการศึกษาระบบนี้แล้นาจะไปเปลี่ยนชีวิตได้ไงมันก็เปลี่ยนแค่ความคิดอุดมการ์วิชาการทำเท่าไหร่มันก็เปลี่ยนไม่ได้ก็ยังเป็นคนเดิมอยู่นั่นเองพวกเรียนจบดรศาสต ร, ร, ราจารย์มันก็ยังเป็นทุกอยู่ไม่เห็นว่าจะไปแก้ไขอะไได้เพราะมันเปลี่ยนแค่ความคิดการปรุงแต่งมันไม่ได้เปลี่ยนในระดับพื้นฐานรากทั้งหมดของชีวิตแต่พอมาพบวิชาของพพุทธเจ้า วิชาที่พบถึงวิชาต้องเริ่มด้วยหนึ่งต้องสร้างปัญญาจากสุขขึ้นมาสร้างญาณคือตัวรู้ขึ้นมาสร้างปัญญาจากสูขขึ้นมาถึงจะไปเกิดวิชาได้และวิชานี้ต้องทำให้เกิดการแก้ปัญหาและพลิกเปลี่ยนมืดให้เป็นสว่างได้เปลี่ยนทุกข์ให้เป็นสุขได้เปลี่ยนวิชาอวิชาให้เป็นวิชาได้เพราะมันมีแสงสว่างขึ้นมานเพราะฉะนั้นเองเริ่มต้นในการมีแสงสว่งคือสร้างตัวรู้ และตัวรู weiß, ้นี่คือต like? ัวที่เรากำลังพูดถึงอยู่ว่าจัดระเบียบอย่างไรตัวรู้อันดับแรกตัวรู้ในรูปนามเรียกว่าตัวรู้ที่เป็นระดับเวทนาสบายไม่สบายแล้วก็เป็นกลางแล้วก็มาเปลี่ยนความสบายไม่สบายเป็นกลางเป็นคุณค่าของจิตมาเป็นศีลเป็นสมาธิปัญญาเป็นตัวรู้ภายในจากตัวรู้สึกตัวภายนอกคือเวทนาของกายมาเปลี่ยนเป็นตัวรู้ภายในคือเวทนาของจิตเป็นตัวรู้ล้วน แต่ถ้าเราเปลี่ยนไม่สาเร็จหรือเปลี่ยนไม่สมบูรณ์ตัวรู้ที่เป็นเวทนาภายนอกมันก็ไปสร้างตัวรูปที่เป็นภายในเรียกว่านามรูปซึ่งก่อให้เกิดตัวคิดและตัวสังขารต่างๆตามม า, า, านั่นเป็นเหตุให้เกิดความมืดภายในด้วยมืดภายนอกยังไม่พอมืดภายในด้วยเพราะว่าระบบจัดการคือตัวตามรู้ความรู้สึกทั้ง3ามระดับไม่ละเอียดไม่ชัดเจนไม่ต่อเนื่อง รู้กระท่อนกระแทน่นรู้ขาดขาดหายหายรู้ไม่ไม่ชัดเจนเมือนการเปลี่ยนแปลงก็ไม่สมบูรณ์เมื่อการเปลี่ยนแปลงไม่สมบูรณ์มันก็ผลก็ออกมามันก็ไม่สมบูรณ์พัฒนาต่อยอดขึ้นไปมันก็เป็นยอดที่แหลมที่เล็กและที่แห้งที่เกลื่ยนที่ตายเป็นยอดตายมันไม่ได้เป็นยอดที่เบิกบานแผ่ขยายกว้างขวางเหมือนต้นไม้ใบหญ้าที่มันสมบูรณ์นะ เมื่อยอดที่มันแครเหมือนแก่นมันมันก็ไม่มีผลไม่มีดอกชีวิตก็เหมือนกันถ้าเราเปลี่ยนค่าของฉันชาตญาณให้เป็นปัญญาญาณไม่สมบูรณ์ชีวิตของเราก็ไม่มีมักมีผลอยู่ในตัวเป็นชีวิตที่ยากที่จนขุนแค็งแคะแก่นไปตามตามเรื่องของมันนะเหมือนต้นไม้ดังนั้นเองตรงนี้เราก็จะต้องศึกษาและตั้งใจทําอย่างจริงจังเพราะฉะนั้นช่วงกลางวัน หลวงพ่อเลือกจมาจึงปล่อยเวลาช่วงให้แต่ละคนได้ได้พิสูจน์ความสามารถของตัวเองด้วยหลักห้าประการพิสูุน์ว่าคุณมีศรัทธาเรื่องนี้จริงไหมพิสูจน์ว่าคุณมีความเพียรอย่างถูกต้องไหมพิสูจน์ว่าความตื่นรู้ที่ว่าพูดกันเนี่ยคุณเข้าใจทําให้ได้ไหมพิสูจน์ว่าความตั้งใจกับเรื่องนี้มีมากน้อยแค่ไหนพิสูจนว่าความขวนขวายในการแก้ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นตลอดเวลา เข้มข้นแค่ไหนถ้าหากว่าเราไปทำแล้วไม่ทําเรื่องนี้อย่างจริงจังมันก็เป็นการหลอกตัวเองไปวันๆใช่ไหมเราก็ไม่เห็นความก้าวหน้าที่แท้จริงของชีวิตเราจะไปโทษใครโทษครูบาอาจารย์ไม่ดีโทษวาสนาวัดไม่ได้สร้างมาโทษเป็นเวรเป็นกรรมโทษไม่ได้โทษความไม่เอาไหนของตัวเองอใช่ไหมตัวนี้เราเราต้องตระหนักกันใช้เวลาแต่ละนาทีเนี่ยอ นล้วเน่นเอวันนี้กลุ่มเก่า12คนเนี่ยหลวงพ่อจะให้เข้าพร้อมกันนะทั้งเช้าทั้งบ่ายก ล, ลุ่มเก่านะหมายถึง12ท่านสําหรับกลุ่มใหม่เพิ่มขึ้นจาก18ท่านเป็น20กว่าท่านก็ต้องมาปฏิบัติสําหรับกลุ่มใหม่แบ่งไปสองระดับระดับที่เข้ามาก่อนระดับเด็กเพิ่งเข้ามาก็แยกปฏิบัติต่างหากพ่อจะได้องความรู้ไม่เหมือนกันการดูแลไม่เหมือนกันนะ นันมาถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยเราก็จะมานั่งศึกษาปฏิบัติจนให้เราผ่านการศึกษาผ่านการเรียนรู้เรื่องเนี้ยมาแต่และคนไม่น้อยเลยบางคนทํามาไม่รู้กี่สํานักเมื่อกี่อาจารย์แล้วเนี่ยมัยังไม่จบแค่นี้นะต้องหาอาจารย์ต่อไปอีกถามว่าอาจารย์ไม่ดีเหรอแต่ความไม่เอาไหนของเราเองเราก็เปลี่ยนอาจารย์ไปเรื่อยๆนั่นแหละ เ, เพราะนั้นเริ่มยอมรับความจริงเราจะทําอะไรเมื่อไรเราจะทําให้ทนเอาไหนเสีทีนึ่งเอาให้เป็นเรื่องเป็นราวเสียทีนึ่ง แค่อาจารย์เดียวมันเหลือเหลือเฟือแล้วถ้าเราจะทำนะี่ไม่ต้องไปเวียนว่าแต่เกิดไม่ต้องไปเสียสตางค์บริจาคอาจารย์นั้นอาจารย์นี้มากมายมันเสียเวลาและเสียของนะเพราะนั้นเราจะต้องตั้งใจศึกษาเรื่องนี้ให้เข้าใจไม่ใช่ให้มากหรือให้ขยันไม่ใช่แต่ให้เข้าใจถ้าทําไปด้ยวยความไม่เข้าใจมันเสียเวลาล้วล้วนเลยนะหรือบางทีไปผิดทางอีต่างหาให้เข้าใจเข้าใจระดับสัมมาทิฏฐิ เข้าใจที่เราต้องการก็คือเข้าใจว่าร่างกายสังขารนี้มันเป็นอะไรมันเป็นที่ตั้งของอะไรแล้วมันเป็นที่ตั้งของทุกพุทธเจ้ามันเป็นที่ตั้งของทุกทุกแล้วคุณจะทํำยังไงกับมันคุณต้องเรียนรู้ต้องศึกษาต้องวิเคราะห์ต้องวิจัยทุกที่มันกําลังเกิดทุกได้เกิดกี่ระดับเกิดสามระดับหยาบ ก, กลางละเอียดเรกว่าสุกุยนาทุ ก, กุยธนะ ท, ทุกมาสุกุยธนาแล้วจะดูต่อไปอย่างไร เขาดูการเปลี่ยนแปลงของมันไปนไปตามกฎของไตรลักษณ์ตามแม่บทของมันเมื่อไปแกา้ตามกฎของไตรลักษณ์แล้วเราก็ต้องมีความเพียรที่ขยันเฝ้าดูศึกษาอย่างต่อเนื่องไม่ใช่ดูนิดนดหน่อยน่อยก็ขี้เกียจเลิกละต่อไปนั้นก็ไปสู่ชั้นทัศญาณเดิมสันดานเดิมห <laughs> ยาบไปไหมหยาบหน่อยนะทําไงได้เพราะมันไม่เปลี่ยนแปลงกี่ปีกี่ชาติก็ไปอย่างนี้นมันไม่ได้นะครูอาจารย์ก็เหนื่อยนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องพัฒนานะ ถ้ามาทําเรื่องนี้อย่างเต็มที่แล้วมันไม่ไปเห็นความก้าวหน้าก <c oughs> ้าวหลังหวงพปฏิบัติหลวงพ่อหยุดดีกว่าใช่ไหมหลวงพ่อหาที่ไปเอาเรียบร้อยแล้วนะเพราะฉะนั้นเองเราอย่าเสียเวลาเวลาแต่ละนาทีมีคุณค่ามากคุณมานั่งเสียที่นี่โดยไม่ได้อะไรขึ้นมานะัมันเสียเวลามากๆเลยนะดังนั้นขอร้องให้ทําว่าทุกคนมีเครื่องมือเรียบร้อยนะแล้วคุณจะทํางานไม่ทํางานเท่านั้นเองเครื่องมือชุดแรกคืออะไรตรักะใช่ไหม คือมือชี้ที่สองคืออะไรเวทนาสามคือมือชี้ที่สามคืออะไรใจสิขามันมันเหลือเฟือถ้าจะทํานะแต่ที่ที่เราจะไปโยงใหญ่ในสภาวะความเป็นจริงได้อย่างไรอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องทําเองนะยงใหยกันว่าเออใจรักก็ให้เกิดสิเวทนาสามได้อย่างไรเวทนาสามทางกายก็ให้เกิดเวทนาสามทางจิตได้อย่างไร เวทนาสามเรื่องจิจะเปลี่นค่ายเป็นไตรสิขาได้อย่างไรเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของทฤษฎีนะเป็นสภาวะ่าที่กล่าวมาแล้วว่าความรู้สึกสามอย่างเนี่ยในกายในใจของเรามันมีจริงๆริงไใช่มีจริงใช่ไหมมันไม่ใช่เป็นเรื่อง make ข้อมูลขึ้นมาเลยด้วยเรื่องที่สัมผัสได้จริงๆรขณะนี้ความรู้สึกเป็นไงหนักเบามีจริงใช่ไหมสบายไม่สบายมีจริงไหม สดชื่นแจม่มใสหรือว่าง่วงเงาง่วงเงาเขานอนมีจริงไหมอืด อ, อัดหัดเครืองหรือว่าแจม่มใสมีจริงไหมมันก็ยะมีจริงอยู่ที่สัมผัสได้แต่ที่เราจะไปดีลไปเกี่ยวข้องกับมันเนี่ยเราจะทำอย่างไรถึงจะเกิดประโยชน์ในจุดนั้นก็ยังที่กล่าวแล้วว่าเบื้องต้นเนี่ยขอให้ทำให้สักจุดใดจุดหนึ่งที่เราเข้าใจได้สก่อน ส่วนไหนที่ยังเข้าใจได้ไปไม่ถึง Ski ฟเอาออกไปก่อนแต่ส่วนไหนที่ไปได้ไปถึงเข้าใจได้ทำจุดนั้นให้ชัดทุกคนน่แค่เวทน า, าทั้งสามตัวเนี่ยมันทำได้อยู่แล้วใช่ไหมคุณรู้สึกหนักขณะนั่งไหมแล้วรู้สึกเบาไหมขณะปรับเปลี่ยนแล้วความรู้สึกหายใจเข้าออกรู้สึกเบาไหมหนักไหมออมันมีตั้งแต่หัวจดเท้าเลยนะที่จะตรวจสอบได้ พอจิตของเรามาคุกคีมาเฝ้าดูตรงนี้ตัวศีลตัวสมาธิปัญญาก็เกิดละตัวตัวปัจจุบันมันก็เกิดละนะโดยอัตโนมัติของมันเลยแต่พอเราไม่ใส่ใจสิ่งเหล่านี้ปั๊บตัวคิดตัวอดีตอนาคตก็ปรากฏละตัวง่วงกงเหงาตัวซึมตัวอก็เกิดละใช่ไหมมันมันเป็นตัวเหตุผลที่ที่สัมพันธ์กันอย่างมากเลย แดี๋ยวก็มาสาเหตุว่าเอ๊ะเราก็พยายามที่จะตื่นรู้โยนแต่ทำไมมันง่วงมันเหงามันปวดมันเมื่อยแสดงว่าเราสร้างเหตุไม่ดีกับมันมาสร้างเหตุไม่ดีแล้วมารับผลปัจจุบันเขาเรียกว่าอะไรวิบากกรรมตัวเองสร้างวิบากกรรมไม่ใช่สร้างวิบากบุญเลยนะอันนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าศึกษามากนะมาเองว่าชีวิตมันมันหาทุกข์ไม่เจอเลยนะเราคิดแต่อย่างนี้นะทุกข์มันอยู่ที่ไหนเพราะเราเห็นตัวมันอะ เราเห็นตัวเห็นดับไฟนะแล้วไฟมันจะเผามันจะไหมเราจะเหยียบไฟได้ไหมมันไม่ได้นะตามหลักสากลนะเพราะโดยสัญชตาตญาณในการป้องกันตัวเองมันมีอยู่แล้วเรารู้ว่าอนัอนนวรร์เป็นสิ่งที่เป็นอคุศนเป็นอันตรายต่อจิตนะโดยสัญชตาตญาณเราก็เกิดการอะไร a l e ใช่ไที่การที่จะตื่นตัวที่จะป้องกันไม่ใช่ปล่อยให้มันมาล็อกคออย่างลอยนวล มันเป็นไปไม่ได้นะครับอันนี้มันมาลอกคอให้เรานั่งคอขอ้าวคอเ อ, อียงเฉยเลยนั่นมันเกิดอะไรขึ้นอะ่ะถ้าทั้งที่ภาะวะการตื่นรู้การปลุกตื่นมันมีอยู่ใช่ไหมแต่ทําไมเราไม่ทําเพราะอะไรเพราะศรัทธาเราไม่พอใช่ไหมความเพียรเราไม่พอใช่ไหมกำลังแห่งปัญญาเราไม่พอใช่ไหมก็ปลุกมันขึ้นมาตื่นรู้ขึ้นมาก็แปลงไปจากเวทนาทั้งสนั่นเองถามว่าเวทนาทั้งสามมีไหมหนักเบายาว สบายไม่สบายมีไหมก็นั่นแหละเรื่องต้นจากตัวนั้นเลยตามรู้มันไปมันไม่ใช่เรื่องซับซ้อนนะ่ะเป็นเรื่องที่เราต้องเอาใจใส่ที่เมื่อกี้พูดมาถึงระบบที่ว่าอีริบทย่อยน่าสนใจเพราะอีบทใหญ่เนี่ยมันจะทํางานได้ก็ด้วยไอ้สายอิริบทย่อยยื น, ค, น, นนะคุณจะนั่งเนี่ยคุณจะนั่งทื่อๆไม่ได้คุณมีการภาพต า, าปากหายใจเรียวใสแก่ขวานิ่งตื่น หลับในมันซ่อนอยู่ในอีโบนั่งเนะี่ยแล้วเราก็ไปตามตามดูมันาตามดูอาการเหล่านี้เท่าที่จะทำได้ถ้าทำเกินกำลังมันกลายเป็นเพ่งกลายเป็นตั้งใจมันก็เกิดปัญหาใหม่ใช่ไหมถ้าเพ่งและตั้งใจที่จะรู้ก็ให้เกิดเก่งเครียดตึง บังคับตัวเองน่นเป็นตัญหาอุปทานแล้มันไม่ใช่ตัวธรรมถ้าเป็นตัวธ ร, รมคือรู้เท่าที่ตามกำลังของเราเวลารอยสวดอ่ะยาธาพลังสติสติยาธาพลังเยอะตามกำลังสติสราสร้ า, าโนปฏิปฏติเขาให้การปฏิบัตินั้นๆนของเราทั้งหลายคือการที่เราเกี่ยวข้องกับความรู้สึกแล้วเนียให้เป็นไปเพื่อทมที่สุดแห่งทุก หมายความว่าความรู้สึกเนี่ยมันก็ไต่ระดับจากสบายมาเป็นกลางมาเป็นไม่สบายเพราะฉะนั้นทุกตัวนั้นก่อนที่มันสิ้นสุดเนี่ยอย่าให้มันสิ้นสุดของมันเองแต่เราต้องทําให้มันสิ้นสุดเออเข้าใจได้ไหมสมมุติเราล้วนั่งมาแต่งแรกรู้สึกสบายสบายสายักพักหนึ่งมันเริ่มตึงใช่ไม่มสักพักหนึ่งเริ่มเกรงใกล้ถึงใกล้ถึงที่สุดมันได้ยังสักพักนึงทนไม่ได้ ระหว่างที่มันเป็นไปเองเราทําให้มันเป็นเนี่ยมีความหมายมากเลยเพราะในนั้นบอกว่าเกวราสะทุกขคันทัสะอันตกริยาปัญญาเยทาติทำฉะไนการทําที่สุดแห่งทุกขเนี่ยจะพึงปรากฏชัดๆสวดทุกกันเลยธรรมาชาใช่ไหมแต่ช่วงที่เราไม่ค่อยสวดประสวนมาเยอะแล้วเนะ่ยเราก็ะเสือติว่ทําปรากฏให้ชันหมายก็ทุกเวทนาตัวนี้มันมาถึงจุดนี้แนละ้วพิกมาถึงจุดนี้แล้วนะฉันจะทํำยังไงกับมัน ต้องใส่ใจละแล้วทำให้มันถึงที่สุดโดยการเปลี่ยนจากจากทนไม่ได้ให้มันผ่อนคลายทนได้แล้วก็เห็นความทุกข์หนักๆตัว น, นั้นผ่อนคลายไปมันที่สุดปรากฏชัดไหมว่าความหนักได้ดับไปความเบาสบายได้ปรากณปรากฏชัดไหมที่ปรากฏชัดอย่างนี้อันนี้พูดในเรื่องมีติทางกายไว้ก่อนนะ พอถ้ไปพูดวิธีทางจิตเนี่ย ม, มันละเอียดเกินกว่าที่เราจะอธิบายเป็นปรมัทิตย์แต่ทั้งหมดทั้งปวงนี้เราเรียกมันว่าความรู้สึกตัวใช่ไหมแต่เราต้องการอินไซต์ให้เห็นภาพชัดว่าเออไอตัวรู้สึกตัวมันเกิดขึ้นอย่างไรมันเกิดขึ้นทั้งสมระดับระดับที่หนึ่ ง, ค ว, วงความรู้สึกตัวสบายสบายสัมผัสได้ไหมระดับที่สองความรู้สึกตัวสบายเปลี่ยนเป็นความไม่สบายตาปวดข้อนี้จัน ควารู้สึกสบายกลางๆสัมผัสได้ไหมได้แล้วสักพักหนึ่งล้วก็ความรู้สึกตัวแบบเป็นการสบายไปเป็นความรู้สึกตัวที่เข้มแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยที่มันปรากฏไม่ชัดเนื่องจากว่าสมาธิเราไม่ดีเราไม่ตั้งใจดูเราขยบับเปลี่ยนไปเรื่อยทั้งๆ ท, ที่มันไปถึงที่สุดแล้วก็ปรับแล้วทั้งที่มันไม่ไปทันเป็นการก็ปรับแล้ะเพราะอะไร เพราเราเราสับสนตรงนั้นนะ่ะเราต้องตั้งใจดูออนิ่งๆไงนะนั่ง น, นิ่งๆดูอาการนั่งนิ่งๆเนี่ยมันก็มีความรู้สึกสามอย่างในตัวของมันนั่นแหละสบายไม่สบายแล้วก็หนักจนทนไม่ได้แล้วก็ตั้งใจปรับออกไปอันนี้คุณพลิกตลอดเวลาพลิกซ้ายพลิกขวาพลิกหน้าิกาไอเวทนามันถ้าเป็นไอถ้าเป็นหุงข้าวนะคุณก็ยกขึ้นลุกลงอยู่เรื่อยน ะ, ะคุณก็ตั้งชั่งแช่ไปสัก สาสบนาทีให้มันสุงจริงๆคุณก็ ย, ยกออกใช่ไหมคุณก็นั่งนิ่งๆอยู่ก็ดูมันไปนานๆซะก่อนจนไม่ไหวคุณก็ค่อยเปลี่ยนมันอย่างชัดเจนเอเพอเปลี่ยนอย่งอางเช่นไปอีโบทใหม่แเราก็จะได้ดูอายุของความสบายเนี่ยมันอยู่ได้นานแค่ไหนเราจะเห็นเนี่ยแล้วมาเปลี่ยนเป็นกลางเนี่ยมันอยู่ได้กี่นาทีแล้วมาเปลี่ยนเป็นจนเราทนไม่ได้มันอยู่ได้กี่อีกนาทีรวมแล้วหลวงพ่อว่าสักสานาทีก็ยังดีนิ่งๆนะ แต่นี่คุณพลิกทุกนาทีเลยอ่ะเออข้าวยังไม่ทันน้ำไม่ทันเดือดอ่ะคุยกลงไปอีกแล้วมันกําลังเดือดทำแท้สุกอ่ะคุณยกลงไปอีกแล้วมันแ ท, ท้แท้จะสุ ก, อ, กอ่กะมันททคุยกโอข้าวหม้อนัน้นมันจะสุกภายใน30สีนาทีไหมเป็นชั่วโมงมันก็ไม่สุกนะอันนี้คือรูปธรรมที่เห็นชัดเลยนะไม่ต้องเรื่องซับซ้อนอะไรเลยแต่เนื่องจากว่าเรายังไม่เกิดโอปะนะัจโกคือยังไม่สามารถโน้มสภาวะที่เห็นภายนอกจากรูปธรรมให้เป็นนมามธรรมได้เท่านั้นเองเราจึงไม่สามารถที่จะ ประยุกหรือบูรณาการเอาเวทนาและสิ่งที่เป็นตัวอย่างภายนอกเข้ามาเป็นโอปนายกูให้เห็นในภายในนะแต่สำหรับคนบางคนมีมีเมีเส้นในทางนี้อยู่บ้างเนี่ยมีความรู้สึกก็ปรับได้ไวคนนี้ก็จะไวนะก็เรื่องมีเส้นมีประสบการณ์มีความเฉลียวใจนั้นเองในแง่ของเรียบทย่อยที่ได้กล่าวไปเมื่อีว่า เวลานั่งมันก็รีบทย่อยซ้อนอยู่หลายๆรีบทเวลายืนก็มีอริบทย่อยซ้อนอยู่เวลาเดินก็มีรีบทย่อยซ้อนอยู่เวลานอนก็มีรีบทย่อยซ้อนอยู่ซ้อนอยู่อย่างไรเช่นเวลายืนท่านใช้ก็ว่าอภิกันเตเปิติกันเตสัมปชนาการีอมุติใช่ไหมคุณจะก้าวหน้าและถอยหลังให้รู้ให้ชัดท่านใช้คำว่าสัมปชนาการีนะไม่ใช่ประชนาติล้ว แต่เวลาจะช่วงยืนนี่ใช้ก็ว่าคาชันโตว่าขาชาติมิติประชานติให้รู้ชัดๆว่ากําลังยืนนะอะไรมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปความรู้สึก3ามอย่างเนี่ยรู้ให้ชัดแต่พอมาเรีบทช่อยย่อยชันจะเอาอภิกันเตปฏิเกตเตสัมปัชานาการีฉันใช้ให้สัมปชานักการีให้ทําความให้มันชัดขึ้นทั่วทั่วทั้งหมดเลยแต่เมื่อกี้นั้นเราชัดเป็นจุดๆจุดที่มันเข้มนะแต่พอเปลี่ยนเป็นสัมปัชานักการีให้มันเห็นทั้ง3ระดับเลยหยาบกลางละเอียด นี่เขาเรียกสัมปชัญญะคือรู้ดูทั่วพร้อมเห็นทั้งหยาบกลางละเอียดคือความรู้สึกนะไม่ใช่เห็นกายเห็นความรู้สึกในกายที่มีทั้งหยาบทั้งกลางทั้งสบายไม่สบายแล้วก็เป็นกลางตรงนี้เรียก ว, ว่าสัมปชัญญะกาลีในระดับความรู้สึกในระดับที่สองความรู้สึกในระดับที่หยาบท่านบอกให้รู้ให้ชัดความรู้สึกระดับกลางท่านบอกให้รู้ให้พร้อมความรู้สึกละเอียดลงไปอีกท่านบอกให้ศึกษา มีสามคำนะศึกษาทัานใช่ว่าไงเช่นสภาวะกายะปฏิสั่งเวทีอาศัสมีติสิกขิเราจะต้องศึกษาว่าขณะหายใจเข้าหายใจออกความรู้สึกตัวทั่วพร้อมไหมหายใจเข้าความรู้สึกหายใจเข้าในความลมหายใจมันไปที่ไหนบ้างเห็นชัดไหมแล้วคุณหายใจออกริลิสมันออกมา เวลาผ่อนคลายออกมาความผ่อนคลายปรากฏในกายเป็นยังไงบ้างนี่ต้องศึกษาลมะมันละเอียดเกินกว่าจะรู้สึกดูทั่ ว, วพร้อมอีกทีหนึ่งความรู้สึกตัวที่หยาบเป็นทุกข์ท่านให้รู้ชัดชัดเช่นเวลานั่งไปถึงที่สุดก่อนที่จะเปลี่ยนใช่ไหมพยายามรู้ให้ชัดว่าตัวหนักออกไปอย่างไรตัวเบาเกิดอย่างไรรู้ให้ชัดชัดประชานาติพอมาความรู้สึกชั้นกลางที่ใช้ว่าสองประชานิ ก, กาลี คือสัมปชัยปะปะให้รู้ให้ทั่วหมายความทั้งหยาบกลางละเอียดเพราะนั้นเรียบบทย่อยมันเปลี่ยนบ่อยใช่ไหมภาพตาในคุณสามนาทีภาพตาทีไม่ใช่นะมันภาพตาทุกแทบทุกวินาทีอะ่ะเพราะนั้นมันจะไวเพราะนั้นลักษณะที่การเปลี่ยนแปลงไวอมันจะนําไปสู่ความรู้สึกชั้นกลางหายใจเข้าออกเนะี่ยคุณสามนาทีหายใจทีไหวไหมมันก็ไม่ไหวอ่ะใช่ไหมอ่าอันนี้คือเรียบบทย่อยมันจะเปลี่ยนไว แต่อิริบุญญาเรานั่งองงี้ตั้งนานหลายนาทีเราไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ใช่ไหยืนก็ยืนได้นานแต่ในอิริบุญเยอะที่มันซ้อนอยู่มันเปลี่ยนทุกสามวิห้าวิหรือสิบวิเพราะนั้นก็ต้องดูให้ทันดูให้พร้อมเรียกว่าสัมปชาัญญการีทีนี้ในตรงนี้ท่านแบ่งเป็นชอยเป็นเจอันที่2เอเรยว่าอะโลกตวลกเตสัมปชาัญ ก, กาีเวลาคุณวิคี เดินออกกำลังกายมีท่าหนึง่งใช่ไหมหมุนคอชัดมากเลยใช่ไหมแล้วเวลาคุณไปหมุนจริงๆอย่างนี้ไหมชีวิตประจำวันหมุนอย่างนี้มันเป็นเรื่องเลยนะเกิดเรื่องคุณหมายความว่ายัางไงคุณมองผมอย่างนี้นะมองช้าๆแล้วก็มองแบบเอาเรื่องนะบางทีบางสถานการณ์ก็ใช้ไม่ได้เหมือนกัน <c oughs> แต่ว่าเราฝึกเอาไว้ให้ให้มองให้ให้ใหรู้เป็นไงยะว่าเออเราเร า, เราเหลียวท่านนั้นเองแต่เรารู้ชัดๆ ต, ตรงที่ว่าเรา หมุนคอให้มองแผนหลังตัวเองที่ว่าอันนี้ก็ให้รู้ให้ชัดว่าเหลวซ้ายไหลขวาก้มเงยหัวเช่นเดียวกันเหลวซ้ายไหลขวาก้มเงยอันที่สามท่านใชว่าสัมมินชีเตปาสาลิเตสัมปชาญญะกาลิโหติสัมมิ น, าาม น, กกมมนหมายหดเข้าปาสาลิเตหมายถึงเอาออกเพราะนั้นในวิธีการหังเทียนก็คือ สัมปชัญญะบระพาในท่าที่สามเพราะท่านี้มันสามารถไปยืดออกไปแล้วก็หดเข้ามาใช่ไหมแล้วก็หดเข้ามาแล้วก็ยืดออกไปนี่คือปาสาลิเตสสามินชิเตปาสาลิเตสแล้วก็เห็นไหมจับได้ตลอด นี่คืออันที่สามบูลณการไปเป็นการทํางานทุกอย่างเลยใช่ไหมการเคลื่อนไหวแต่ว่าการที่เราจะไปจับการเคลื่อนไหวในการคูเหยียดในการหยิบหยับจับเฉยทุกอย่างมันจะต้องมีการฝึกตรงนี้ให้เกิดทักษะเสียก่อนไม่อย่างนั้นมันก็คูเหยียดแบบอะไรสัญชาตยยานเหมือนเดิมไปตามความเยชินมันไม่เป็นองค์ภาวนาแต่พอคุณมานั่งทำํำตรงนี้ให้มากที่สุด มันเป็นการสร้างทักษะที่ซ้ำซากและไอ้สาร repetition คือ r e p e t i t i n อันเด็กเของมันเนี่ยให้มันต่อเนื่องไปเรื่อยๆแต่เวลาเราไปทําอะไรมันจะรู้โดยอะไรโดยตัวนุมัดของมันใช่ไหมลักษณะเป็นองค์ภาวนาแล้วเพราะฉะนั้นเราสามารถที่ว่าทํางานทั้งวันก็ปฏิบัติธรรมทั้งวันองค์ข้อพุทดธดะบทการทํางานคือการปฏิบัติธรรมคือในแยะแบบนี้ไม่ใช่คุณทําไปเรื่อยๆคุณนึกในใจเอาว่าคุณกําลังปฏิบัติธรรม ทังๆที่มันไม่มีองค์ความรู้ในรายละเอียดมันก็เป็นเพียงสมถะใช่ไหมสมถะหมายความอู้โดยโดยโดยรวมคุณว่าดีใจว่าเออตั้งใจปฏิบัติธรรมมีสมาธิมีสติมันก็โดยรวมมันไม่สามารถเห็นรายละเอียดแต่พอเราไปลงวิปัสนาปั๊บเราเห็นรายละเอียดมันก็ได้สมถะเป็นในตัวเพราะนั้นการปฏิบัติวิปัสนาที่ถูกต้องมันรวมสมถะลงไปด้วยและการทําสมถาธิถูกต้องมันรวมวิปัสนาลงไปด้วยเรียกว่าบูรณาการ โดยไม่ต้องแยกนะอันที่สี่ท่านใช้คาว่าสังคติปัตตจีวรธารเนสัมปัชาณากาลิของติอันนี้สำหรับพระนะแต่สำหรับโยมมันเยอะกว่า น, นั้นนะนะสิบชุดยี่สิบชุดไม่รู้จะเริ่มชุดไหนก่อนแต่พระท่านมีสามชุดแค่นั้นเองสังคติแล้วก็สบุงกัจีวรแค่นั้นเองแต่ว่าจะให้ควบคุมไปถึง อาหารการกินปัะจัยสีด้วยท่านก็ เ, เติมบาดเข้ามาด้วยสังาติจีวระสั ง, า, สงาติปัตะจิวรธารเนนะคือการนุ่งเสบงทรงจีวรและบิดาบาดให้รู้สึกตัวให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมมันนะหมายถึงว่าในขณะบิณาบามด ม, มันไม่ความว่ายืนอยู่นิ่งๆนะมันต้องเดินไปเวลาจะจัดผ้าจัดเสื้อมันได้ว่านิ่งๆนะมันก็จัดไป มีการเคลื่อนไหวอยูท่ทุกวินาทีคุณต้องรู้ให้ทันให้ทั่วตัวนี้จึงใช้ระบบสัมปชัญญะกะรีเพราะมันมีการเคลื่อนไหวที่ถี่มีความถี่ที่สูงกว่าน่ะอันต่อไปท่านใช้ควาว่าอุจาระปัสสาวกรรมเมสัมปชัญญะกะรีโหติมีความรู้สึกตัวร่วมในขณะที่เข้าห้องน้ำอาบน้ำาทาธุระหนักเบาแปลงฟัน อาอบน้ำทูดตัวมันมีการเคลื่อนไว้ตลอดเลยใช่ไหมแล้วควบคุมให้ทั่วมันอยู่ใต้ดวงไฟเห็นตลอดเห็นตัวเองตลอดว่าทำอะไรนะอันต่อไปท่านว่าปีเตขาเยเตยสายเเตสัมปชะนักกาลีโหติในขณะดื่มในขณะเคี้ยวสังเกตว่าเวลาเราทานอาหารพวกเราเสศไว้มากเลยใช่ไหมเพราะว่าเราไม่ค่อยมีการสัมปชันากาลีในขณะนั้นพราะเราเคยชินกับการกิน แล้วก็รีบกินรีบเคี้ยวล้วก็รีบลูกรีบหนีใช่ไหมแต่พอมาปฏิบัติมันไม่ใช่อย่างนั้นมันจะต้องปีเตคือการเคียเยเ้ยวการลิ้มการดื่มอการเคี้ยวการดื่มการเคี้ยวการลิ้มการกลืนเข้าไปด้วยให้ดูเพราะในช่วงปฏิบัติเราก็ไม่ต้องรีบเพราะมันในช่วงทานอาหารก็ไม่ต้องรีบเพราะมันเป็นช่วงปฏิบัติอีกเหมือนกัน หลวงพ่อชาท่านได้เล่าในประวัติของท่านว่าท่านไปอยู่กับหลวงพ่อกินนรีหลวงพ่อทองรัดนะที่ขงเจียมท่านว่าเป็นภาพปฏิบัติใหม่ๆหลวงพ่อทองรัดท่านเป็นพระกรรมาฐานหลงชาไปปฏิบัติดนะ้วยท่านเป็นพระหนุ่มท่านก็ทานอาหารท่าก็รีบๆกินแล้วก็รีบรูกไปไปอย่างเงี้ยทุกวันวันหนึ่งหลวงพ่อทองรัดก็ถามว่าท่านชา้า ท่านรีบกินรีบพูกท่านจะรีบไปที่ไหนผมจะรีบไปปฏิบัติขอรับหลวงพ่อถ้าคุณปฏิบัติแล้วหลังจากนั้นคุณจะไปที่ไหนต่อถามไปเรื่อยในที่สุดท่านไปไม่เป็น <c oughs> แล้วขณะที่คุณนั่งทานเนี่ยคุณปฏิบัติได้ไหมเออเขวกลืนมีสติสำัญญจได้ไหมได้แล้วทำไมไม่ทำนะะเอ ผมจะรีบไปซักผ้าไอ้ซักผ้าเสร็จแล้วคุณ ไ, ไปทำนะผมจะรีบไปปฏิบัติว่าขณะคุณซักผ้าเนี่ยคุณไม่รู้ตัวหรือหรือว่าขณะที่ขยับขณะที่ขยี่ขณะที่อะไรขึ้นรู้ตัวเนี่ยคุณรู้ตัวไหมหลวงพ่อชาโอโหท่านเจ็บลึกมากเลยวะท่านเลยทำเรื่องนี้ตลอดจนเป็นชีวิตก็ได้เป็นหลวงพ่อชาขึ้นมาเนี่แออยแหละเพราะฉะนั้นต้องมีจุดบรรดาญใจนะ น, นี่คือบาอาจารย์ที่ท ตรงบอกตรงๆเลยไม่ต้องไปเกรงใจกันว่างงินเถอะอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะเวลาเราเข้าห้องน้ำก็เป็นขณะปฏิบัติเวลาทานอาหารเป็นขณะปฏิบัติอันที่สี่อันที่ห้าต่อมาท่านใช้คำว่ า, าขเตติเตนิสินเนหาชาคลิเต ภาสิเตตุนฮีภาเวสัมปชนกาลีเอียดให้มีความรู้สึกตัวทุกพร้อมในขณะไปในขณะมาขณะพูดขณะหลับขณะตื่นแม้แต่นิ่งๆก็ให้รู้สึกตัวว่ามีอะไรกําลังเกิดขึ้นขณะที่คุณนิ่งเนี่ยเห็นไหมสัมปชนาการละเอียดขึ้นมากเลยพอ่อลําดับอีกทีหนึ่งหนึ่งการเดินก้าวหน้าถอยกลับเดินเจ้า ก, กลมใช่ไหม รู้สึกตัวทุกพร้อมไหมอิก เ, เทเปเดสองอารโอเกเตวิเโอกกเตเหลี่ยซ้ายไหลขวากลมเงยสามสามินชีเตป า, าสาลิเตขะคุณยืดมือออกไปคุณหดเข้ามาคุณยืดมือออกไปคุณหดเข้ามารู้สึกตัวทุกพร้อมไหมสี สังคาติปัตะตจีรธารเนสัมปชนาการิขณะที่คุณแต่งเนื้อแต่งตัวใช่ไมเอาผ้าออกเอาเสื้อใส่วีผมวีเผาใช่ไหมแต่งหน้าแต่งตาแต่งตัวเห็นชัดไหม5้าอุจ า, าราปิสาวะกเมสัมปชนาการีโมติขณะคุณไป ท, ทําธุระหนักเบาอาบน้าถูตัวนะแต่งตัวในขณะนั้น หขณะดมขณะกินขณะลิ้มขณะชิมขณะกลืนรู้สึกตัวโทษพร้อมไหมเจ็ดการไปการมาคาเตทีเตนี้สินเนี่ยว่ า, ม, ามื่อกี่กันไปกันมากันหลับกันตื่นกันพูดกันนิ่งรู้สึกตัวไหมเพราะฉะนั้นในในบทได้ท่านว่าว่าละเอียดมากแต่บางคนรู้สึกโอ้หลวงพ่อติดปริยัติก็มันปริยัติที่ไหนมันของจริงแต่มันเป็นบัญญัตินะมันเป็นบัญญัติ แต่ถ้าเราไม่จับปริยัดมาบอกกันเนี่ยมันเป็นการมั่วเขาเรียกมั่วอะไรไม่ใช่มั่วแข็งนะมั่วนิ่มเด็นะ <c oughs> ซึ่งพระส่วนใหญ่ท่านเห็นว่า อ, อมันเสียเวลามันไม่ใช่เสียเวลาเราต้องการลึกหลุมในละเอียดว่าเออเป็นอย่างเงี้ยเราทําอะไรมีหลักมีเกณฑ์แล้วทําให้เกิดความมั่นใจแล้ว เ, ออเราไปไม่ผิดทาง น, ะน่ะนะพุทธิชาติท่านว่าไว้อย่างเงี้ยเราก็ว่าตามทางพุทธิชาติแต่เราต้องการให้ รายละเอียดและลงไปในการกระทําด้วยนะอันนี้คือลักษณะดูทั่วพร้อมมี7ระบบนะเระบบเลยกันทีนี้ในความรู้สึกตัวทั่วพร้อมท่านบวกอีียบท4และอีบทย่อยเข้าดยกันเป็นระบบหนึ่งบูรณาการพอมาถึงเรื่องของอาการศักดิ์สิทท่านสีท่านก็รวมกันมาเป็นอีกชุดหนึ่งเพราะมันเกี่ยวข้องกันท่า4กับอาการศสิทธิ์สองดินน้ําลมไฟมันทําหน้าที่ ได้สามสิบสอาการออกมาเป็นส่วนประกอบร่างกายสามอาการแล้วคุณว่าจับผมเนี่ยคุณ ว, รณ ว, ณวร่รู้สึกไหมใคยมันจับผมคุณรู้สึกไหมรู้สึกใช่ไหมผมขนเล็บฟันหนังยิ่งฟันเมันปวดฟันยิ่งรู้สึกมากเลยใช่ไหมมันมารู้สึกทุกส่วนผมขนเล็บฟันหนังอะไรต่างๆไอ้ความรู้สึกเหล่านี้มันก็จะออกมาในรูปของธาตุ เนะวลาเราคลื่อนไหวเป็นท่าอะไรโอ้ยยังไม่ได้ส่งโทรศัพท์เลยเอาฟึ่งมาเดี๋ยวหลวงพ่อยึดนะอ่นการเคลื่อนไหวโดวยที่เป็นระบบระเบียบอย่างเป็นท่าลมใช่ไหมการนั่งตรงๆที่นั่งได้นานเป็นท่าดินแสดงว่าสมาธิคุณดีนั่งได้นานนะแต่ท่าลมเป็นลักษณะของอสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะทาน้ํา เป็นลักษณะของการระบายความร้อนเพราะในนั้นมีธาตุไฟกับธาตุน้ําเป็นตัวร่วมกันธาตดินกับธาตุไฟเป็นตัวร่วมกันทีนี้ธาตลมกับธาตุธาตลมกับธาตุไฟเป็นตัวร่วมธาตุดินกับธาตุน้ําเป็นตัวร่วมกันนะดังนั้นธาตุลมเป็นตัวร่วมกับธาตุดินเพราะว่าคุณจะให้มันเคลื่อนไหวแกว่งตลอดเวลาไม่ได้คุณจะมีการนิ่งบ้าง นั่นหมายถึงธาตุดินใช่ไหมการนิ่งอาการที่เคลื่อนไหวไปมาเป็นอาการของธาตุลมถ้าคุณจะร้อนตลอดเวลาไม่ได้คุณก็ต้องมีการเย็นบ้างก็คืออาการของธาตุน้ำกับธาตุไฟนะเพราะนั้นเองมันก็เป็นตัวร่วมลักษณะอาการธาตุน้ำธาตุไฟธาตดุดินกับธาตุลมนะ บางลักษณะก็เอาธาตุดินกับธาตุน้ำเป็นตัวร่วมแก้ไขปัญหาธาตุลมกับธาตุาาไฟลักษณะทั้ง4เนี่ยบูรณาการออกมาเป็นอาการสามสบสแต่ละธาตุแยกตัวเป็น8ดใช่มสี 48, ่แปดสามสบสองเพราะฉะนั้นสองอย่างนี้แล้วก็เข้าไปดูอาการที่ละเอียดมากขึ้นกว่าสัมผัสย่าอีกพอดูสัมผัสย่เป็นแล้วละเอียดไปดูอาการสัมสสองอาการผมคนเล็บฝรันน่งโอโตมันเยอะเกินไปดูไม่ไหวเนาะสับสน ให้เหลือลงมาเพียงแค่สาอาการใน3าที่คืออาการสบายไม่สบายแล้วก็เป็นกลางพยายามทำของเยอะๆเนี่ยให้เป็นของนอเล็กลงมาแล้วทำเล็กลงมาให้เป็นจริงนะแล้วก็อสุภะอสุภะหมายถึงของเสียในร่างกายที่เป็นรูปและของเสียในร่างกายที่เป็นนามารูปแต่ ถ, ถ้าเมื่อไรของเสียในร่างกายไม่ถูกบําบัดจากรูปนาน ม, มันก็กลายเป็นนามารูปเช่น ความปวดเมื่อยเป็นของเสียของร่างกายใช่ไหมออกมาเป็นความปวดความเมื่อยความไม่สบายเนื่องจากเรามันจะต้องเสื่อมมันจะต้องทำหน้าที่ของไตรักตลอดเวลาออกมาเป็นความไม่สบายนะของเสียเราก็เข้าเอาสติสัมยะไปจัดการกับของเสียคือความไม่สบายให้มันรู้สึกเบาขึ้นให้มันสบายขึ้นกลายมาเป็นของดีให้เบา แล้วเราก็กลับมารักษาเป็นกลางปอทนได้สักพักหนึ่งเนื่องจากมันเป็นไตลักมันก็เป็นเป็นของเสียอีกเราก็เข้าไปปรับมาเป็นของดีคือกับเบาสบายการสลับกันไปสลับกันมาเนีดูอาการ32แล้วก็ของเสียทั้งสมระบบก็คือเรียกว่าอสุภะอสุภาษะแปลว่าความไม่สวยงามนะแล้วอสุภาะมันไม่สวยงามปจิกาลเป็นของเสกปกเรีว่าปฏิกูล ปฏิกูลเราก็เน่าเสียใช่ไหมนั่นหมายความว่าถ้าเรามาบัดจากอสุภะให้เป็นสุภะไม่ได้เนี่ยมันก็กลายเป็นปฏิกูละคือปฏิกูลสกขโรกถ้าเป็นทุกขเวทนาทางถ้านั่งไปนานๆโดยไม่บำบัดไปไงทำให้จิตใจของเราวุ่นวายสกปภโรคไหมสกขโรกด้วยอารมณ์ความวุ่นวายต่างๆคือในแง่ของนามธรรมาละแต่ในของรูปธรรมก็คือท่านบอกว่าป่าช้าทางกายเมื่อเราเป็นปาช้า เพราะอะไรเพตายสัตว์มาตายที่นี่เยอะเหลือเกินไหมคุณกินหมูไปหมดไปกี่ตัวแล้วกินปลาหมดไปกี่ตัวแล้วทําให้ป่าช้าเนี่มันเติบโตมันอยู่ได้มันก็เต็มไปได้วยความมนุษย์เหิ่มกว่าสัตว์ทั้งหลายน ะ, ะถัดไปจากมนุษย์ก็เป็นหนูใช่ไหมมันกินเยอะแยะ ใจกระเม น, นุก็เป็นปลาอะไรพวันมั น, ม น, มนเพราะฉะนั้นมันเป็นที่หลวงของของเสียพิจารณาโอ้ร่างกายของเราเนี่ยพอเราไปพิจารณาอย่างนี้ปั๊บเนี่ยอสุภามันก็ทําให้ลดมานะอัตตาลงความสําคัญมันหมายเองเมื่อดูอย่างนี้ปั๊บลักษณะของการลดความสําคัญผิดในตัวเองมันก็จะลดลงในแง่ของกายานุปัสนาถ้าทํำครบนะทั้งหระบบก็เปลี่ยนจากสกฤติทิฏฐิที่เราสําคัญผิดว่าเรา ดีเราสวยเรางามเรารวยเราจนเราถูกเราผิดเราแน่เราไม่แน่พวกนี้มันก็จะค่อยห่อนลงไปมาเป็นความรู้สึกธรรมดามีเป็นคนมีสติสัมยะรู้สึกรู้ษาเป็นวิญญูชนอะไรขึ้นมาเนะี่ยรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้บุคคลวางตนให้เหมาะสมลักษณะ น, นี้ก็สักยะทิฏฐิมันก็ลดลงละขึ้นมาเป็นสมาธิิใช้ร่างกาย ใ, ให้ถูกการาเทศ ใหเหมาะแก่การเวลามันก็ทําให้ตัวสมาธิอ่อนเกิดขึ้นแล้ววางตัวได้เหมาะสมใช่ไหมแล้วต่อไปมันก็ค่อยพัฒนาเป็นสมาสังปาคิดก็ ถ, ถูกต้องขึ้นเพราะฉะนั้นในระบบของกายานุปัสนาทั้งหมดเนี่ยถ้าเราทําได้ถูกตรงมันก็จะไปจัดการเปลี่ยนสักยญาทิฏฐิให้เป็นสมาธิโดยอัตโนมัติท่านมีระบบของท่านเรียบร้อยแล้วนะแต่เนื่องจากว่าเรา ตีบทไม่แตกเข้าไม่ถึงมันแล้วก็โยงกันไม่ติดอะไรเป็นอะไรใช่ไหมแต่ลักษณะเงี้ยโยงไปโยงมาร่างกายทั้งี่แจ้งทั้งหมดจริงๆแล้วมันอะไรคือความรู้สึกล้วนๆเลยนะคุณต้อรู้ว่ามีมือเนะี่ยเพราะมันมีความรู้สึกตัวอยู่ถ้าไม่มีความรู้สึกตัวอยู่คุณมีมือก็เหมือนไม่มีอใช่ไหมเพราะนั้นเราบอกมือคือความรู้สึกตัวยกนี่คือความรู้สึกตัวคุณไม่ต้องว่ารูกว่าน้ำก็ได้ยกความรู้สึกตัว ถ้าคุณไม่ยกมันก็ไม่รู้สึกเหมือนไม่มีแขนน่ะเอ็น ไ, ไหมหลวงพ่อคำเขียนว่าทุกอย่างเป็นความรู้สึกอย่างเดียวเอ่นัอ้อันนี้ท่านพูดให้ง่ายเข้ามาสําหรับผู้ปฏิบัติที่ไม่รู้ปริญัตน่ะที่ไปวุ่นวายกับเรื่องปริญัตเนี่ยมันทําให้สับสนใช่ไหมท่านก็นเลยย่อเข้ามาสันส้นๆคือความรู้สึกอย่างเดียวพอแต่ถ้าองค์ความรู้มันไม่พอรู้สึกตัวเนี่ยมีไหมคุณรู้ตัวอยู่แต่คุณก็สะดุดล้มู่ได้คุณรู้ตัวอยู่คุณก็เตะ หินจุหัวไม่เทามาันแตกคุณรู้สึกตัวอยู่คุณก็พลาดจนได้บางครั้งระวังเราก็เดาพลาดจนได้ลักษณะเนี่ยความรู้สึกตัวไม่ละเอียดไม่ถี่ถ้วนไม่เพียงพอบางครั้งเราบัญจงทำอย่างนี้พอพุ่งรท้ายออมันพลิกแป้งเดียวเสียไม่หมดเลยถ้า ท, ท, ท, ทำอย่างมัดระวังตรงนี้เราเรียกว่าความรู้สึกตัวที่ขาดปัญญาขาดความทั่วพร้อมเราเรียกว่าความรู้เท่าไม่ถึงการ เขาเขาทาดีอยู่นะแต่ทําไมไม่เสียเพราะองค์ความรู้ไม่พอเรียกว่ารู้เท่าไม่ถึงการใช่ไหมอันนี้ก็เช่นเดียวกันเรารู้สึกตัวยังไม่พ อ, อยังมีองค์ความรู้ประกอบเพื่อให้รู้ได้พร้อมว่าอะไรเป็นอะไรทุกอย่างมันมีเหตุที่ไปที่มาอย่างความรู้สึกหนักเนี่ยจู่ๆไม่ใช่หนักปุ๊บปั๊บเลยนะมันก็มีองค์ความรู้เริ่มตั้งแต่ความรู้สึกเบาสบายที่เราเปลี่ยนมันไม่กี่ใช่ไหมมันก็ไต่ขึ้นมาเรื่อยๆเป็นจ น, เ ป, นเป็นความหนักพอมาถึงหนักแล้วทําไง หนักแล้วคุณก็รู้ว่าเออมันหนักทนได้ไหมไม่ได้คุณก็ตั้งใจเปลี่ยนเห็นความหนักมาเป็นความเบาตัวนี้เรารู้ว่ามีองค์ความรู้ละแต่คุณพลิกไปปั๊บเนี่ยมันก็ไม่เห็นนะควาสบายคุณก็มีคุณจากหนักเป็นเบาเนี่ยก็สบายเหมือนกันใช่ไหมแต่ถามว่าคุณได้องค์ความรู้รายละเอียดไหมไม่ได้นี่เขาเรียกว่าความทุกข์ไม่ปรากฏชัดมันก็ทุกข์ทั้งกายทั้งใจแต่ถ้าเห็นความทุกข์ปรากฏชัดมันทุกข์แต่กายแต่ใจมันไม่ทุกข์ มันตัดที่รู้ทุกแล้วมันตัดสมุทยัยท่านบอกทุกต้องกำหนดรู้เพื่อเพื่อตัดสมุทัยโดยอัตโนมัติแต่ถ้าคุณไม่กําหนดรู้ทุกสมุทัยต้องเกิดใช่ไหมเพราะฉะนั้นให้รู้ทุกเพื่ออะไรเพื่อให้ตัดสมุทัยเมื่อตัดสมุทัยได้นิโรธกรรมกเกิดไหมเกิดเพราะฉะนั้นอริสสีก็เหลวเพียงอะไรความรู้สึกตัว <c oughs> ง่ายๆความรู้สึกตัวว่าเราทุกอะ่ะใช่ไหมแล้วไม่สบาย คนรู้สึกตัวว่าเราง่วงยายแกก็ง่วงเป็นเมือเงินนะเมื่อคืนนอนหลับไม่ดีไหมยายไม่ค่อยดีนั่งฟังไปฟังมาคงไม่รู้เรื่องง่วงเฉยเลยแต่บางครั้งหลวงพ่อต้องการลึกลนในรายละเอียดเพื่ออะไรเพื่อเวลาเราไปทํามันทั้งวันเนี่ยมันจะมีส่วนใดส่วนหนึ่งมันแวบขึ้นมาบ้างเวลามันง่วงมันเหงามันเบื่อมันเซงไงนะมันแวบขึ้นมามันก็จะได้ตื่นตัวเออเมื่อกี้เราทผิดไปนะไอตอนแรกก็กําหนดดีๆใช่ไหมตอนแรกมันมีไฟอีกกําลังนะ พอชั่วโมงต่อไปมันชักล้าลงไปเรื่อยๆพราขาดการนั่นแหละขาดการร่งเล้าขาดวิริยะมีฉันทะทําจริงแต่ขาดวิริยะมันก็ทําให้ฉันทะหมดอายุมันก็ต้องมาปรับเป็นวิทยะคือพยางค์เพียนกระตุ้นในเรื่องเล้าให้มันชัดเจนขึ้นนะนแล้วจะเห็นว่าในวิธีการที่เราเราทำเนี่ยมันไม่มีอะไรซับซ้อน แต่เนื่องจากว่าเราขาดผู้มีประสบการณ์ม า, าที่ขยายให้ฟังมันเป็นอย่างนี้จะสังเกตได้ว่าในชุดนี้ในชุดกายานุปัสนาทั้งหกชุดทำไมไม่ลงลึกไปในเรื่องอาณาปณาสติพ่อเราคุ้นเคยมานานแล้วมันไม่เหมาะกับอินทรีย์ของเราเพราะมันละเอียดเกินไปพ่อเราสมมติเป็นเวอร์ชั่น 3.2 KB แต่ว่า ไอตัวอนาบันนั่นซึ่งมันหกะเพราะนั้นมันไม่คยรับโปรแกรมบางอย่างของเราเพราะนั้นไม่ต้องเอาโปรแกรมนี้เอา xp มาลงส2นี่แหละมันก็จะเหมาะกับ ec ของเราแต่บางคนพอพัฒนาไปหน่อยๆมันมีความทักษะสูงเนี่ยแล้วก็จะเปลี่ยนระบบ ec 3 2ให้เป็น64ก็ได้แต่คุณใช้โปรแกรมให้เป็นเท่านั้นเองนะแต่ใหม่ๆเนี่ยคุณโปรแกรมคุณแค่นี้ก็เอาแค่นี้ไปก่อนนะก็ดีกว่า macintosh สมัยแรกๆใช่ไหมมันแค่8แค่16แค่นั้นเองนี เพนั้นเองเราก็พัฒนาลักษณะในแง่ของนมามธรรมในลักษณะเดียวกันซึ่งไม่ใช่เรื่องซับซ้อนนะ เ, เพราะฉะนั้นในวันนี้สําหรับผู้มีเคยเข้ามาหลายครั้งแล้วเนี่ยพอทานอาหารเช้าเสร็จแล้วนะก็เริ่มเข้าเก็บตัวได้เลยเราหลวงพ่อจะแวะไม่ใช่แวะแอบไปดูไประยะเมื่อวานบางคนแอบไปดูโอ้นอนเล็วนะ วันนี้คุณไม่ต้องเข้าไปทํากับเพื่อนคุณต้องออกมาแล้ววันนี้บอกให้ออกมาก่อนนะไม่ชี้ด้วยหรือเปล่าดวันนี้เปล่านะเฝลานอนใช่ไหมก็ให้ใช้เวลาของตันให้เป็นประโยชน์อย่างสูงสุดนะทุกแต่ถ้าหากว่าใช้แล้วรู้สึกมันร่างกายไม่พรอมันงงงงเงงงนึกอะไรไม่ออกเลยก็ออกมาหาหลวงพ่อมานั่งคุยกันสักพักหนึ่งค่อยเข้าไปใหม่นะก็เป็นอนว่าคนใหม่ ผมก็แบ่งไปสองกลุ่มนะคนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาแล้วก็คนใหม่ที่เคยเข้ามาแล้ว2อสามวันละนะ น, น, นั้นก็เช้าวันนี้ก็คิดว่าในครอบภูมิในแง่ของกายยาลูกศาสนาสรุปเปเรื่องกายานูกศาสนาเรื่องรูปนามไว้แค่นี้ก็ขออนุโมนาสาธุในความตั้งใจที่เราจะได้ไปเรียนรู้และศึกษาให้ละเอียดลึกซึ้งแล้วก็ให้เข้าถึงตัวสภาวะด้วยกันทุกคนทุกท่านทูน